ข่มขี่หึงวามเบียดเบียนมันก็บรรเทางบแหละพระเทาถือว่าในไต้ลกกธาตุเนี่เป็นเมื่อขึ้นของพระพุทธศาสนาเหมือนตื่นเมื่อขึ้นของพระนิพพานเหมือแห้ะเขาจะไปข่มี่หึงผู้ใดสั่ี๋ยวว่าวอกเล่าอกยีกันเลยผู้ได้ยินกับมอือมือก็แห้งหน้าพอดนยาโทษมา ถ, ถาม ลูกปู่สีลูกปู่เจ้าขาลูกปู่สีทำไมทันสร้างมากแท้หมดคนหลายล้านมาหาวิทยาลัยก็ไม่เท่าลูกปู่จะตอบอยังไงมันตอบไม่ยากเฉพาะลูกปู่ถ้าคัญงคณเป็นทรัพย์ของลูกปู่สีก็คิดีหึงมันก็มี ถ้าสำคัญว่าเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานแล้วนะใจโลกธาตนี่เป็นเศษน้ำลายขององค์ท่านทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วปัญหาของมันก็หมดเขกหนักจริงๆนะว่าเขกหนักจริงๆนี่ฉันก็โอ้ลูกๆก็เส้นความสงสัยแล้วทีนี้นะสันคนปรลินเาีมันปัวบาดเดียวมันมามาโตดีมาโ ต, ม, าตมันดีน มาพยศเนี่แฟาดบาดเดียวแลนเด๋ยทางสามโยนอยินี้จะลงปุ่มหมันว่ามันแมน่นหรือลรมานได้เข้าใจปุ๊บเลยลคนเฮียนสูงกว่จไม่อันนี่แล้วจ้าสิเอาลัทธินั่นเอาลัทธินี่มาแคร่งดีก็พระพุทธศาสนานั่นหงากคอทุบจิตทุบใจมันผุนเฮาเอามาต่อเลยพาว่าน่ายาบดอก มดยังสั่นดียังสี่มดยังสี่ดียงังสันแขวายัางสั่นดียังสี่คงยังสั่นดียังสี่แต่ย่ามีดีย่ามดเนาะยังมันดียังสั่นยังสี่เข่ามดสั่นจะขาดดียังสั่นยังสี่โอ้ยผมจับมาพูดคิดพูดใจยมค่ะท่านบอกของฉันมันอยู่ได้ระดับใดเห็นทาซ้าไดมบนรฮงชักเกาลด เชื่อธรรมพระพุทธศาสนาทำไรก็คงใจก็รอดคุอพี่ซื้อสร้างก็คือกันนะคือเทพรดามุ่นคือกันบอกบาสบอบุญมุ่นคือกันบวแกีบาว่าพูดได้ก็บูกแก้บาสก็บาสกิเลี่ยนนี่มันเป็นบาอยั่ไหนหัวใจพูดได้ก็ทำบุญแก้บามันนี่ยทำก็มีแก้บาแก้บุญหมืนนี่บากิเลี่ยนไม่นหัวใจ มันหนึ่งเครื่หนึ่งมันก็ไม่ได้รับพ่อสองสโมงไว้เสมอแพศเดียบแพ่เดียวบโมจักว่านางโมจักว่านอนมันนางพิจ้าหนาของมันนี่จ่ า, ามความเป็นจริงของมันเนี่ยจนลิน่นว่ากระดุกปุ่นไม่ได้บักขับ นั่ตัวเองเขาตั้งภายในบังคับอยู่งหรือเป่าเม่นคือง่างล่ะใครทจะเอาแท่งเกยียวเอาข้าต่อแอกเอาลูกแอกแส่กับ่ะไร น, นั่นคือไม่คับละ่ะขันข้าต่อแอกปินกนออกข้างนอกเลยมันเห็นไพ่เลยวั่าตาสงสารยางเต็มที่มันเห็นกุ้นคาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันหาเปรียบเทียบว่ไม่ได้สะกหนจิตใจมันจะไปทั้งไดนไม่ก็นอกไปทั้งเดียวโอรุตันตัวเขาไม่อยังสงสัยรัฐที่นั่นรัฐที่นี่เป็นสัรัฐที่นี่เป็นสัตว์รัฐที่นี่เป็นสัตว์อันนั้นคือีดีอันนั้นคือจีดีถือรัฐที่นั่นคือจีดีคือถือรัฐที่นี่คือดีหลงสันห่ยมันปัญหามัน ก, ก็ลายแล้วเออมันก็สงสยัยใช้หนังคาชามีนะเวสวองสันเอรุตว่า ผีสนะนั่งกรามิภาพชนะนั่งกรามิเ น, นี่ยหาเป็นห้นเอกทพอพุทธเจ้าเกิดมาถ่ายไปที่ยวเดียวถือกันมัดระพุทธเจ้าทั้งหลายสู้เกิดมาจะแกจะเก็ บ, จ ะ, กบจะตายเด้อเวสันมันผีดบอสนสูไปเ่นอบายย ม, มุมันชิบขายวบบอดสูด้เ้พอเวสพราะพุทธเจ้าองค์ไหก็มาท่ายควมเดียวกันถ่ายยู่ไม่ย่งกเวงกขืนถือว่า ย, ยัางไงสัน เม่อไหนมามีขอแม่ขอพ่ อ, อกันเลยขอปู่ขอญาขอตาขอยายกันเลยลูกเอ๋ยกั น, ม, นมืดไงเมื่อไ้ลมางพ่อรบอบ่อเหมือนกับพระลัชบัญญัตโลกขีประตูทะเลหรือมือนี่ดอกลูกเอยกันมืดเมื่ได้เสียเปรียบกันทานนนานน้าว พ, พุทธเจ้าองค์นั้นมันมีวาหารปานเล่าพราพุทธเจ้าองค์นี้มันมีอาหารปานเล่าบัญญตัติถ้ำกับประตูตามความเป็นจ ร, งริงเมื่อได้มาคัาดข้านกันเลยเพราะเป็นถ้ำตายตัวแล้วสังขารถ้กับเป็นสังขารถ้ตายตัวยัง สังขารถ้ำเป็นมีสังขารสังขารถ้มตายตัวอยู่ถ้ไฟถูกฟพิษไฟโลกีเป็นของตายตัวอยู่งศช่วงตัวย่างนี้อยู่องศ์พระพุท่เจ้าเกิดขึ้นแล้เกิดขึ้นก็ไม่อยู่องศ์พระพุทธเจ้าสิ่งพิเศษจักเพียงไรกตามเมือสามารถสวดถอดสวดถอนเร่าสืบาสงสวดถอดสวบทนหรือเล่าสวดถอน พระรหัตม่ให้เป็นพระอาณาค่ามีสีส่สวดถอ น, าานพระอาณาค่ามีไม่ให้เป็นพระสักทะาฆ่ามีที่สวดพระสกทาฆ่ามีไม่ให้เป็นพระโสดาบันที่สวดพระโสดาบันเซตบาดเดียดเฮามีดิบไม่ดิบทุกขิงทุกอย่างลปหลปีกหานของเราเมื่อให้เป็นผู้เรื่องคนนานพระพุทธเจ้าก็เห็นบ่ได้เห็นได้เห็นว่าพระพุธเจ้าจึงเข้าลบธรรมชัตธโมคลุกาตาบูเข้าลบธรรมเพราะธรรมนี้บริบูรณ์อยู่ทุกเมือง เรื่องว่าบวบอลิบูหรือว่าบลิบูมันคือยุทธะไรของบุคคุผมท่านทั้งหลายมีย่ทุการทุกเวลาะอากาลีโกพโทโทษผูโทษท่นือ <nella> ว <refreshing> mm ่า hmm. ม mm ันจะจมล่มจมแหลงคุณของพระพุทธเจ้ามีดีคันธนมีกินมามือเ้าไมอถึงหากออกใช่ไมท่นนั่งอยู่วัน้หน้าของเพ่นมืถึงตัวท่านหว่ามพวกขัพวกข้อยู่วันนี้ ว่มันท้องเพลินบมแก่ที่สิส่วนมากคุณติเจ้าหมมีคุณพระธาตมมีคุณพระสงฆ์มมีขาเ็แก่นะคาซื้อเพิ่นเท่นั้นอามาห้ยยิ้ยห้กินห้อยับษ์คุณไ้จท่าบุญกินธานอั น, นั้นเอาพระพุทธศาสนาจะออกอ่าซื้อไให้คู่บ้าดอกขอเจได้พอเออ มัตแทสุดแม่ขาบอเป็นตระเสติเนไม่อยู่ตัวทิบเด้คูว่วาอยากสุกยาเม้าเพราะว่านหนนึงเ้วไปชอบเพเขาอยู่ตัวทีบตัวเดียนผู้สิเหตุการเทมา น, นี้ยังเอาโลกระพุทธศาสนาออกมดนะชื่อของนี่ชื่อพระธกฐินด อ, อกรุดไทยเเพราะว่านี่หลวงปู่มหาบัวค่อยห้าเรื่องพวกนี้เขาขายทั้งโลกทังไหนต้องสื่อเขายังสั่งลูกร้านที่เอา ของที่เขาเออกมาขายเวรไหม่ต่ริานี่ไงเขาบอกกลนนะิ่นพระธาตุนะจิตตอจะก็ต้อเขาอัญญาณนุ่ ม, มนจะจะ๊ะขวดตอนะจ๊ะอันเขามาขายตามานแต่เมื่อห้าปีนพรบาททานบาทเขาอย่างนี้บาควนไปเอานาพระออกอ่างนาจะ๊ะเป็นวะเขาเคขือขายให้โลกนังไล้ก็ต้องให้เขาหลดไปและบางคนมาเป็นมีเป็นสิน้นเขานั่นหลวงปู่มหาเคยสั่งเคยตอนนี้ เพเขาใส่เงินหมุนบแบบนึงพระเอาอนไรมาลวเป็นดีเป็นศีลเขาลำหลูกลำล้านไปต่อเขาย่อมเฮ็ดบุญเขาก็เฮ็ดด้วยแหละหลองสิย่อวเขาขายก่เป็นขายตีมาสิเขาเปท้าพักส่วนึงเขาก็มาท่านมากี้มาท่านจำสถิติกำลังของเขาแล้วล้านเขาเอาคล้องมาขายของนําบัตน้ำเมื่องคล้องมูเฮ้าเขากินเฮ้าท่านเขาท่านเฮ้าแล้วพันธุบินธบาสพานบานเขาอยูเขาขายให้โลกยังได้ก็ตตอกสื่อยังสั่น อ็ถือก็กีเ่เลรท่าอันแล้วปู่มาหามาขายอยู่มาขายให้พระอา ญ, ญาให้โยมอยู่น่าขายให้โยมเมื่อยาวว้ยจัก่อนเลยไปซื้ออนาพระมาขายซื้อให้ข้าบ้าด อ, อกเขารู้จากสตางค์ได้เพรามักจะเป็นคนเท่ามันโมเป็นถ้ำเพว่าอันทุกจะกินเฮนี ทุกวันบอเขาพระเจ้าวโนบม่อันดุนแน่ๆเขาไปต่อเขาก็บอกไปยังว่ยาไปจกกะโกรธทุแท่กันหูจังนักจังบอกกันอยู่แล้วนี่ยยิบหน้ายิบหลังวินหน้ายิดังบกคนไปต่อเขาเลยนหลกล้านเขามากินมาท่ารัดบะแสบพกเขีนสีอ้อนีแก่กันอยู่ก็เข้าก็ไดา้อันมือนีมันมาพศาสนาหมดละ แดีวอัปมาโนพุทธะไหมคุณต้องพุทเจ้ามีประมาณอัปมาโนะทั้งโคุลเข้ามาถ้กับมีประมาณอัปมาโนะทังโกคุณเข้ามาสงฆ์กับมีประมาณเดี๋ยวไปใช้แม่ท้องเพื่อนมัดเลยเนี่คำสอนแต่ละบทระบาดกัแม่ท้องเพื่อนมัดลดความคำสอนแต่ละัดระบาดกับแม่ท้องเพื่อนมัดมอญองคกกับแม่ทองเพื่อนมัดเพิ่งไปตัวกรนแล้ว่เพิ่งจะมาสอนเท่าพระพุทธเจ้าดี๋ยแม่ท้องเพื่อนมัด บนไหนควรเก็บคนล่ะเพราะก็มาบอกเข้าหมดแล้วบนไหนอันบนพอคุยพระธรรพระสงฆ์พระหนอสอนมือห้องวันมีจจกบวชเพราะทิศดีเทดดิศเด่นปันญาขยันเทีไปทำไมเรียบกลางพระเจ้าทั้งนั้นช้าปัญญาติโยช้าแปลวอกสันธัปัญญา ต, ติช้าหงของอะย่งตาหงจมูกเล่นกายไก อายตนาภานัยหกอายตนาภานอกหกตาหงุ้งจมูกเลืนกายใจหกเป็นหกพระพุทธเจ้าบัญญัติเลยคันทะปัญญาติคันทะมันทังโลกเวทนาสั ญ, ญาทังขันวิญญาณพระพุทธเจ้ากับบรญยัติเลยอายตนาปัญญติอายตนาภานอกภาัตาหงุ้งจมูกลื่นกายใจูุจเชิงกิรุภาตปะทามลุมบุคลานังบุคละปัญญาติไอสั่าา ง, ง, งาาบุคคลา บุคคลที่เป็นโล ก, กีบุคคลที่เป็นโล ก, กุตธละบุคคลที่จำพวกพทศด้าบัณฑสกธาข้ามีอานาค้ามีอรหันก็ดีมาผู้ที่เจ้าบัญ ญ, ต ญ, ญตาาาาัติเมล่อะสัดเจ้าบัญญติเตียัดจ้าทางซีนชัดเจ้าทำทางซีนทุกสิ่งทุอยในหลวมากเพราะผู้ที่เจ้ากับบัญญัติมด่ละนี่ก็ถือไปเจ้านามวิภี พัทธสำคัญต่อเทดีเทเกงมได้กระชางเรื่กลางพระเจ้าทั้งนั้นะมัอนในวันพพุทธเจ้าวันเทศมีบ่เหมือนศารีวุหมกขล่าวันเทธมีมันมีบ่มันกระบอมีคือพวกยินดีในรูปในเรียนมั่นนี่แหละเรยอาจารย์นั่นดีอาจารย์นี่ดีเพราะว่าเฮาโอ้ยเฮาจะค้องกันฮอดเทิรกว่าหมนอาจารย์พระชิทธาเดียบกดีบอกว่ามันเรียนบอกว่าสันาว่า ท่านศีล พ, าานะพ่ว่าน่าพนซอนไหม่พ่นเหยียบที่ห้องไก่แหวนว่ามันเหรียญบอกว่าถ้ากันตื่นกันองค์นั่นดียังสัน้นองค์นี้เป็นดีหลวงปู่มันดียังสัน้นหลวงปู่ดียังี่หลวงปู่จิตศราหลวงปู่บอกข้า่ามันเนี่ยพอดีบอกว่าสั่นเทาว่าตื่นกันว่มีแนวห้องโบไปตื่นไปใช้นมูนจะเกียร์เลยห้องอแต่ห้งองโประมาทเข้าหลบอยู่เขาพิมแล้วขามาไว้เตินหัวอยู่ห้องเห็นหอดพูจิตพูดใจคุณค่อยตื่นหนึ่งสั่น แหงเหียเข้าไปเลยก็เก่าบอกันว่าเียนหวงปู่แหวนก็ยังมันดีเหียนหวงปูเขาก็จังมันดีเหรียนหวงปูฝันเหรียญงปูอ่อนจังมันดีว่าสันห้วยพวกนี้มันยังติดเจ้าของพนอกเสยยาศาสตดนี่ว่าสันห้องะว่างสันเจ้ท่านชินพรวนาบอกมหาเหรียญหมวาสันเนี่ยพระพุทท่าประสงค์บอกมันหาเหรียญหมวกสันเนี่ยหอะว่าบอมันมหาหูบบอกมันมหาห้อยบอกสันเ หน่มาชีเลสขึ้นไว้โทก็ได้ากบเป็นยังไงยังคนชีเรหลายอยู่ตเกอาอยู่เหมือนข้นวัตาาสีวัลีหลาบมากเสียแตว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันพระสีวลีบอกว่ามันพระสีวัลีขึ้นเมืองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นบอ ก, บอกคือพักกระกจาย น, าอนะอน่ะเพิ่นเป็นพระอรหันต์ได้แต่ยุคเพิ่นเกิดในกลุ่มอุเนี่ ใพ้่พ้นระยูอวันตีชดนบโ อ, อ้ข้าพเจ้าทั้งหลายเรื่องสพระกระจา ย, ยานะเราจะขอถึงถึงซึ่งพระกระจา ย, ยานะเป็นสรณะอันประเสริฐสุดขอปฏิญญาในะเดี๋ยวนี่ยามาถึงเราเถิดขอให้ถึงประพุทธประรมประสงนั้นจึงมีอานิสงส์มาก แล้วไม่มีอันิสองส์อะไรดอกเราคนเดียวแม้ตัวของเราก็ยังโอนถึงมรรคพระธรรมประสองค์อยู่เคารพ อ, อยู่ไม่มีกังวันกลางคืนจังไตรหั่นนั่นพระละหันสัมพันธ์ขันห้าวเนเขาถึงว่าโตเป็นสารณะอาสน์ผู้ดังพระจิปภะปิงเงียบปิงเงียบบอกแม่กูว่าเฮ้ยสูบฝันบัว่าบอกขจมาพระจิบภะปลอมคืนผู้ทู่ก็ ภาษาลิบุตคือการไปถามพระอัศจิท่านมีอินทรีย์ผองใสเก้าวไปได้ถอยกลับท่านก็มีอิริยาบถอยู่ทุกเมื่อท่านบวชในสำนักท่านผู้ใดใครเป็นสศาธศด า, า, าของท่านสาธด า, าของท่านแสดงทำอะไรท่านฟังบ้างเออแล้ว ข่าวงอ้อขบวว่าท่านเลยมีจับประสาวะยังหรอกปาาัสสาวะมาจีรศิเรียงท่าไม้ตันตั้งละไอตันฟังได้ดอกอพระหลานเทเ ย, ยังงอทอมตัวอยู่เหตุเทไงจึงเป็นยังสัง่นท่ามตัวไปยังสั่นอยู่ตรงเมืองดอกหรือบ่บ่บอทองไปอยู่ตรงเมืองดอกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าในเวลาที่อยู่สนไรประิภาคศก เขาสาเขาเลื่อภาษาลีบุตรนี่ปัญญาหลายกมูยังไดกลุ่มราชสือพอแห้งแล้วคือแตกชานพอแห้งแล้วั้งสันจึงห่อซ้านั P ่นจึงห่อทอมตัววันเออมาสันบาต้องห่อเน่าดอกห่อสันสันเนื้อกะอัดอกขน้อยไปซะเพิ่มบินทะบาทด้วยนี่ไปซะแล้ออกไปวิบบานสักครั้งออกไปวิบบานก็เล้ยวหฟัง ที่หนเกิดขึ้นที่นั่นก็ดับไปโอ้ยพ่อแล้วครับเัยนไปรถไป่อกปไปพ่อพ่อหมกขล่าที่นี่เชียวเชี่ยวสัตว์บาจะใส่เสื้อนาตาคือฟองไสพวกเราแต่มือนีวะาัตว์มันเตัวใดทําพิเศษแล้วบอกว่สัตมอน่ห้าฟังในที่วาสัตว อ, อธิบายอานิจังนี่หละร่งถึงใจเลยหมกขล่าก็ได้พระเดสพระรหันหนํา โอดาาได้สำเร็จพระเสดาวัตน้ำในช่วนกันไปหาพระ อ, องค์เจ้าใช่ปริภาศกลูกศิษย์องคนสองค น, ค น, คนมีปัญญาในราบในยอยนอนผู้นั้นในพระไปแล้วเสาหนองแล้ววานใจบดีแล้วบานปู่ว่ามีระมีหงุดเนาะคนสําคัญออกอี้จะปู่เราเพราะว่าโศกเสาพระาูกกาละหวานพ่อไปหาพระ อ, องค์เจ้าเขา ภาษาลิบุษได้ยุคกึ้งเดือนถึงเสี้ยนพระลาหารพระโมกพระราษย์ยึดลัน่นสำเร็จพระลาหารไปนั่งอยู่บ้านกันละว่าละมุตตะขามแข็งมาโคตไปนั่งสับประม ก, กพระองค์เก่าได้เทศรู้บายเรื่องแกงง่วง การหัวเหงาหัวนอนมีอุบายแก่อยเวลายอย่างหมกขล่าเอ้ยให้โตัวพระเจ้ตั้งแต่ปฏิวัติเนอมันทรัพประงก์ลา ย, ยามันทรัพย์งกมีเหตุผลอยเวลาอย่างกินอาหารหลายเหมือนหมูนี่มันบย่อยๆมันก็ทรัพยะงกอี่างนึงธาตุวิการกับทรัพย์งกอย่างนึ ง, าา ง, นนงแต่ว่าจ้างไรแต่ทางบนก็ทําไปได้ จำแสงสว่างกังเว้ไว้กังเว้นไม่เป็นรักหรืลักษณะจังไรให้จำไว้ได้ใจอย่าว่าเอาลกะสัญญาจะเป็นเหตุเธอหายง่วงได้จะเกิดทำความเพียรต่อไปหันยังหายว่ได้น่ะให้ท่านเดินโยกงมก็บปล่อยกับม้าว่ามีคิดคิดปว่าภายนอกคอยจะหายความง่วงได้จะปฏิบัติธรรมสันสูงได้ ถ้ายังหายว่าท่านไหนท่านจงลูกตัวด้วยฝ้ามือมีสิตริู่มันลูกไปรอบ ม, ม่าเนี่ยจะสุดแต่ทั้งอื่นนะจู๊มกม่าคาไร่แห่งหัวจักทบไปคาไร่แห่งหัจัก็จะหายขวางงวงได้หายควางงวงไม่ได้มีม้วนอันไหน สูตรมอนต์อันไรที่ท่านเคยทองมาท่านจงบริกรรมเนอะทองบนก็าจาักหายความห่วงไหนจักได้ทำความเพียนที่ต่อถ้ายังหายไม่ทันได้ผ่านจึงน้องตะแคงข้างหัวซ่อนพระบาดเรื่มพระบาดตั้งใจว่าเล่าเอาเ ตั้งใจว่าพ่อเราได้สติตื่นขึ้นเราจะลุกขึ้นทาความเพียรอย่างเต็มที่เราจะไม่ยินดีในการเอ็นข้างเอ็นหลังเมื่อเราจักบอยินดีในการสู้ง่วงเขาไปสู้ตะกูลเขาสู้ง่วงเข้าไปสู้ตระกูลอวดดีเขาไป ห, ห้าเขาว่าปฏิสันถานโตห้าเขาว่าเอาศาสตร์เอาเสื้อมาใหานา้นังท่านกับเฉลียโต ยิตโตกทท็ทีวุ่นไหวที่ฟุ้งซ่านสิว่าพูดได้มาถ้ำหงายหงายโยมค่ายคว่ำเหลือมใสเหาวนอกพอสิว่ายิ่ก็ทีหา่างสมาธิเด้ เ, เ, เห็นท่นจังา่าบมาจากหายซุ้มว่งเขาไปสู้ตะกูลเมืเ่ออวดดีเขาไปสู้เขพมกรก็รีพญายามทำคว่เพียรในวันก็เียกซ้ำเลพระทหารในวันนั้นเด็กเกีตวัน สนภาษาอีบุต์ได้กึ่งเลือนอายุทำสุกระขาจาที่ผู้เขาคิดจะกรูดที่าคณาอัคิเวสนาโคเมาถามพระ อ, องค์เจ้าสิ่งไหลที่พ่อใจครับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ากับพ่อใจสิ่งนั้นท่านังสอนก้มเห็นกับว่าเหมาะสมกับตูวส่วนภาษาอีบุต์ นั่งมือทั้งหลังเห็นงานพัดพระองค์เจ้าอยู่พัดพัดสองมือพัที่ทั้งหลังพระองค์เจ้าพัดหลงพัดให้พ่อแม่ครูอาจารบ์มด้พัดมือเดียวเท็ศจังสี่เลยพัดสองมือให้ผันจาบพัดสองมือท่านบอกว่าซึ่งไรที่พ่อแม่ครูเข้าไปเจ้าเขาไปเจ้าก็สบใจซึ่งหนักหมดอ เออเช่นนี้ก็บกครแก่ท่านบางทีบอพพ่อใจกับข้าพเจ้าทั้งหมดเช่นนี้ก็บอกครแก่ท่านที่ธนะาคีวิทคณะขวดท่านก็ต้องติดอยู่ในควมพ่อใจแล้วข้อมือพ่อใจหรือไมาเป็นธรรม กรพ้อใจหรือไ่พ้อยใจกระตามรูปเวทนาสัญญาทังขาวิญญามันเกิดขึ้นแล้วแปรปรว น, นแตกสลายดุดดังหัวสีนนจงพี่เจ้าน่าหา ย, ายมีขววมเบื่อนายไข้เมาซ่กที่เคยหลงว่ามัน ม, นมันเทียงที่เคยหลงว่ามันเป็นของเสือของง่าม ที่เคยหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตัวเป็นทรัพย์เป็นบุคคลดังสมมุิบัญญัติที่ใส่กันในโลกทัศนิบุตทํางานพัดท้างหลังอาไปกินแหละพระละหันมหันต์เลยจะถึงไต้สนาคมนะการเทศกันเดียวกันคู้นึ่งสมเด็จพระละหันผูนึงถึงไต้สนาคมไต้สนาคมในทางพระพุทธเจ้าถึงปโตดบานนี้จังหวะถึงไต้สนาคมนี้ มันถึงพระโสดาบันนี่ย่านับมาถึงไตรเสนาคมเนี่ยไตรเสนาคมกับสุปฏิปันโน่นเดียวกันแต่ว่าต้นพ่อมาจันล่ะไตรเสนาคมเหตุถึงจันจึงว่าถ้แต่ละวบระบาดเนี่ยพระพุทธเจ้าเสรจงต่อพระนิพพานเมด่ิตเท่าอยู่ระดับได้ฮะก็เอาเข่าห่างตัวระดับนั่นที่ จิตทศดาบันนี่ระดับได้ฟังแล้วก็ น, น้อมเขาตัวข้างนั้นจิตทัาหาฟั่งแล้วก็บทรงคลื่นอยู่ไว้รยังไงสั่นไม่ได้ถือนนถ้อมันในกันในยินไม่ได้ชื้อมันในรูกในเสียงในกินในรถในผลสะานในถ้ำมาล้มในเวทนาได้ได้ทั้งสิบนี้กันเทศกันเดียวกันมองของสั่นเห็นที่สั่นจึงว่าทำใจระเบิระบาด ท, ทงต่อผนิพ่ามืดหนอกแสนนพระนักเรียนนะเฮาโอกาวคัดขเข า, าได้หรอ ทำไมสอบแล้วทำเองคือกานอ่นแบบผู้ภาวนาพุโทโธพุทโธอยู่นั้นเป็นสมถะหรือเป็นนิพพานาสีตอบเอาไวประกาศสัญญาบัตรนมันก็ต้องตอบเป็นสมถะเพราะเป็นบริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมตอบอยังสั่งยังถือมาถามยังห้าวยังชุมอ่างจ้างห้องเอาตอบอยังสั่ง ผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่จะถือว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกจะถือว่าเป็นวิปัสสนาก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับจิตกับใจของบุคคลผู้มีปัญญาสัมพยุทธ์ยกวิทาหอนเราถือว่ า, า, วาผู้บริกรรมว่าและโชว์และนังและชังพลติมันก็น่าจะเป็นสมถะภาวนาทําไมถึงแตกฉานรรมไปที่สามวิทาสิเราถือว่าพี่แล้วผู้ที่เขาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่คําบริกรรมของเขาเห็นทั้งคําเกิดคําดับ เห็นทั้งเกตสิทธิ์ที่เกิดดับอยู่ด้วยพุทโธพุทโธแต่คุณของพุทโธไม่ได้เกิดไม่ดับไปไปไหนเป็นอนัตตาคุณเป็นคุณที่ไม่เกิดไม่ดับไปไหนแต่คําบริกรรมเป็นคําเกิดดับถ้าเขาเห็นอยู่ทุกอิริยาบถ ท, ทุกบริกรรมของเขาเห็นทั้งความเกิดขึ้นในแปรปวนในแตกสลายทั้งคําบริกรรมของเขาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายเขาก็เห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวด้วยจะว่าเขาเป็นธรรมทัก็ไม่ได้ห้ามติดต่อกันทีจังซูเืองทางดังเรีย่ยมยันจะได้เยินทีด้วย จะเสียเขาตีอะไรกับพระจกักรเลยวหรอวะวองเขาขังตัวคือเนี่ยฮะองค์นกยางเขาย ง, งาเขายอ ง, งาายงงางจิดป่านกยางจิตป่าเนี่คือที่ามพราหารันเนี่เพราะมันมียากทานไปหยุดจางกันเนี่ยปัดหนาแก่กลามาเนี่ยพระจิต ด, ดึงไว้ได้บางไฟมันจะคืนเลยจะไปดึงฮ้างไว้ไท้ไหมมันสู้เสดาจพตายยนะ <laughs> นั่น คุณลค้บปฏิเสธแล้ววัคพลี่ผพาโนมีดอกสมัยเสมอนี่เพราะว่าตัวโง่ ร, ราะว่พนสิโง่นั่มค้นมาเกิดอยู่ภายสางบา ร, รมีมาแต่พบได้ทราด ไ, าได้ในภูมิจักรในบางพราะบางองค์มาแต่พระเจ้าองค์ก่อนบางมาเพรแห้งเลยบวชก่อนวรรดว่าเป็นปัญหาในวารวนี้อันไหนสานี้นว่า คห้าบวกรเขาเขาบว ก, าก่อเทศาสตร์กมก็มีทีวัดอ่างไันคณะห้าปฏิบัติก่อนเขาเขาปฏิบัติก่อนห้องเทศศาตว์กรหมดมันบางมาแลว้วดอกบวัวมันผล น, นามเหรมันจบเจสิบโอ้มันเป็นตูมมากมันพ น, นามเหรมงเห็นวงนึงว่ครูบาอาจารย์ผูยย้ใหญ่ มออกซื้อหรือหน้ามัานออกไปแต่ทางเรามึนเงเีนยงานชาปนกิจถวายพระเพิ่งค์คนลาด <c oughs> มันปูสิงคันตะยาข้ามูนวะยี่สิุคนยิ่สิบศร้าคน อพระปฏิบัติไปกพระปฏิบัติไปันอนมาสักมาผลี่พ่อไม่หรอกพระขี่ดีองหนึ่นพยุ่ิลงประตูล่างอ่ะตัวขาคิ้วผลว่าผลิขาคิ้วน้่มตู่ตัวตาบอดผลว่าผลิตตาบอดน้่มตู่ตูวหูหลอกผว่าผลิตหูหลอกน้่มตู่ตัวงูผลว่าผลิตงูน้่มตู่ว่าอะไมั่งเขาได้บทผลห้องแห้งแห้งพระองนนเป็นพระขี่ดีนะ คน ม, มิมดหยู่บุกอยู่ยทั้งทเงื่อนคำเง่นนีแล้วออข้าวุกฮเข้าสซิจอกมอฮะบินทวัลฮะพุทธิใส่บาดแหยบุมีผู้คนหล่นหวานมาก็ไม่ยินดีสออิว่าอย่างไรสั่ะเขาอยู่ทั้งบา้านด้วยกันเขาไม่มีกาลังแต่งางส่งตัวนึงกระจิโรมเชื่อใส่เชื่อคอยผู้เขาแบกคอนไม่คอนไหลก็ได้อยู่สิว่าอย่างไรสั่น สายตาเขาแง่คนทิพซีเทียห์หาเทียห์เขาเพาะถือพุกเขาแง่มาเดียวถึอเคยจังไม่อยู่แล้วเล่าอยู่ระดับใดสิว่ามูอยู่ระดับโตหมดมันก็บอแม่นการที่พอให้เกียรติเพิ่นทูวเพิ่นสูงก็โตนันก็เป็นลัทธิเฉพาอสระออตมอสะพวดทั้งนั้นแหละ กองทัพนำไล่มวนขึ้นฟ้านัตถิเหต น, นาท่าเดียวเป็นอัตตาทิพไตรข้อมเห็นตนเป็นไงโม่โม่เมืองธรรมาทิพไตรเลยไปน้าโลกาทิพไตรอุดรดหเห็นโลกเป็นไงไปน้าอัตตาทิพไตรข้อมเห็นตนเป็นไงบุคคลพูนั้นขัน เ, เรียบรรทัดตีแล้วยซื้อไปเรียบบ่ถือบรรทัดก็ไปตีบรรทัดพุ่นข้ามศรของพุทธเจ้าเป็นบรรทัด แต่มันทัดดีไม่ใช่ไซเป็นแม่เม่ไม่เส้นของคำสอนในพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงคำส อ, อนในพุทธเจ้า